26. พระเมติกาเถรีภิกษุณีผู้ชนะความแก่และความมีโรคชาตสุดท้ายนางเกิดในตระกูลพระมหาศารครั้นมีอายุมากแล้วได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนภูเขาจนได้บรรลุพระอรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย ครั้นบรรลุอรหัตแล้วท่านได้พิจารณาข้อปฏิบัติของตนได้กล่าวสองคาถานี้เป็นอุทานว่าข้าพเจ้าประสบทุกเสื่อมกำลังผ่านความเป็นสาวไปแล้วต้องถือไม้เท้าไปไหนไหก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังขึ้นภูเขาได้ข้าพเจ้า ว, วางผ้าสังฆติและความบาดนั่งบนภูเขา ครั้งนั้นจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วได้บรรลุวิชาสามตามลำดับได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบาลีอปทานว่าพระเถรีนี้ชื่อเมฆลาทายิกาเถรีเริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยของพระพุทธเจ้าสิททัตถะคาถานั้นมีอธิบายว่าพระเถรีประสบทุกจากความแก่และความมีโรค วิชาสามคือความรู้พิเศษสามอย่างคือบบเพนิวาสยานระลึกชาติได้จุตูปปาตยานเห็นการเกิดขึ้นและการจุติของสัตว์ทั้งหลายและอสวะขยายานยานเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวกกิเลส พุทธศาสนาสุภาษิตโลภะมัทธนังเจตังโมหะนังราชวัฒนังกาสังกังพหุอายาสังนัติเจตถะทุวังทิติเงินทองนี้ทำให้เกิดความโลภนำมาซึ่งความมัวเมาให้เกิดความลุ่มหลงเป็นเครื่องเพิ่มพูนความกำหนัดยินดี มีความระแวงมีความยุ่งยากเงินทองนั้นไม่มีความมั่นคงยืนยงเลย